ฉุดวิ่งกระจัดกระเจิงขึ้นไปจนถึงกลุ่มหินปากถ้ำโดยเวยโอกาสขณะที่อยักษ์หดหัวลงไปทั้งสองเซธราเข้าไปพังภ้ากกำบังอยู่ใต้ซอกโขดหินอันเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าปลอดภัยที่สุดเพราะเป็นหลือหินกำบังแคบๆจนเกินกว่าที่ศีรษะอันใหญ่โตของมันจะผ่านเข้ามาได้ยามนี้ไม่สามารถจะเดาเหตุการณ์อย่างไรที่จะเกิดกับใครได้ทั้งสิน้นมันเป็นความตื่นตระหนกอกสั่นที่เหนือกว่าครั้งใดในชีวิต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 จากช่องโบของก้อนหินสองลูกที่บังซ้อนกันเป็นลึกส่วนหัวอันน่าสะึงกลัวของเจ้าอสูรดึกดำบานลอยวูบขึ้นมาอีกครั้งและอีกครั้งนี้มันตรงระดับกับโขดหินที่หลบซ่อนอยู่พอดีราวกับจบโะโผล่หน้าต่างมองห่างออกไปเพียงไม่ ก, กี่วาเท่านั้นที่เหนียงใต้คางโสมไปด้วยเลือดสดแดงฉานตาโปนถลนทั้งคู่รุกโลดราวกับดวงไฟจ้องมองมาตะวัดลิ้นหยุดปราบปราบพญานาะค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 คงชูคอตรงระดับช่องหินจ้างเหยื่ออยู่เช่นนั้นเหมือนจะโกรใจเอาให้ได้เฉพาะชัยยานและดารินโดยไม่สนใจกับใครอื่นทั้งสิน้นรพินกับแง่สายก็ห่อแนบตามมาถึงชายเนนในบัตรนั้นและประจันกับเหตุการณ์ภายหลังจากที่นายจ้างทั้งสองตะเกียกตะกายคิดไปหลบกำลังอยู่ในซอกหินหน้าปากถ้ำได้แล้วขณะนั้นบุญคากับจันผู้หลบอยู่ใต้ดงกล้วยช่วยกา ร, รดมยิงอย่างไม่ยัง้ง แต่มันก็ไม่สนใจด้วยยืดคอชูหัวร่อนขึ้นไปยังกลุ่มโขดหินหน้าปากถ้ำที่ชายยันกับดารินเข้าไปเบียดรกอยู่ทั้งสองตอแหลนเขาหาหินก้อนใหญ่ยึดเป็นที่กำบังและทำระยะใกล้เข้าไปอีกกับลำตัวส่วนใหญ่ของมันที่กวาดพดเคี้ยวอยู่บนชายเนินส่วนเบื้องบนในที่กำบงังชายยันโอบ ก, กอดร่างสันเทาของเพื่อนสาวไว้แน่นค่อยๆดึงปืนสั้นออกซองข้างเอว ขบกรามนูนเป็นสันแล้วยกขึ้นเลงลอช่องกำ บ, บังหินออกไปที่ระดับจมูกและริมฝีปากด้านตรงของมันลั่นไกเปรีย้ยงก็ศูนุดสีแมกนัมวิ่งเข้าหาเป้าหมายตรงตามที่เลงไว้อย่างแม่นยำมันก็ผงะหน้าบู๊บหลบหายไปจากช่องโหว่นั้นในพริบตาแต่แล้วชั่วอึดใจก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาอีกอย่างอยู่ยงคงกระพันลูกปืนสั้นขนาดหนักที่สุดเจาะจมูกของมันเข้าไปได้แน่แต่ดูมันไม่สะเทือนอะไรเลย ลมขู่ฟู่ออกมาจนผงคลีรอบด้านที่หลบซ่อนดูปลิวฟุ้งขึ้นก่อนที่เขาจะปล่อยนัดที่สองออกไปโดยหมายไปที่ดวงตาข้างหนึ่งของมันนั่นเองด้านล่างก็ได้มาถึงซึ่งวินาทีสำคัญขีดสุดปลายบุหรี่ของรพิญยื่นเข้ามาใกล้าสายชนวนระเบิดที่รูขนูของแงสายอย่างสั่นรัวแทบจะควบคุมไวไม่ได้ทั้งสองจ้องไปที่เจ้า ง, งูยักตาไม่กระพริบกะกลางลาตัวก่อนอย่าเพิ่งหมายไปที่หัว พมันชูหัวใกล้ที่ซ่อนตัวของเจ้านายระวังยิงแงสายง้าวธนูสุดระวินาทีเดียวก็ปล่อยออกไปเสียงดึงครึบมีเสียงขนนกคลางตัดอากาศเคลี้ยวต้องห่างออกไปและวธนูดอกนั้นก็ปักส่วนเข้าไปติดเปรดุที่เวรด้านข้างตอนหนึ่งแะดับกลางลําตัวอย่างพอดิบพดียิ่งแล้วกว่าลูกปืนเสียอีกดูมันจะไม่รู้สึกเอาสักนิด แม้ว่าหัวอันแหลมคมจะเสียบทะลุกเกร็ดปักเนื้อเข้าไปจนเงี้ยงอย่างน้อยก็ลึกไม่ต่ำกว่าหกนิ้วแล้วทั้งคนยิงและคนจุดชนวนก็ซุดตัวลงนั่งพร้านหายใจอึดใจต่อมาอันเป็นอึดใจอันยาวนานที่สุดอากาศตรงบริเวณที่ระพินกับแงสายสุดกายอยู่เคียงกันก็บังเกิดพลังกดดันูบขึ้นจนผงะจังเบา้ามีเสียงเหมือนลูกปืนใหญ่ตกอยู่ใกล้ๆด้วยอำนาจสอนพมมาของพระราม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 เกือบตลอดทั้งลาตัวอันยาวเหยียดสงบนิ่งแข็งทื่อคงมีแต่ส่วนปลายหางและตอนคอเท่านั้นที่สายกระดิกอยู่เช่มช้าสั่นลิกๆครั้นแล้วปากอันกว้างใหญ่ก็อ้าออกแลเห็นแดงฉานมันเคลื่อนไหวไม่ได้เสียแล้วนอกจากนอนอ้าปากอย่างดุร้ายอยู่กับที่เช่นนั้นซ้ำไปที่ปากเร็วพรานใหญ่ตะโกนสุดเสียงและแตะปลายบุหรี่เข้าไปกับสายฉนวนของลูกใหม่ที่แงสายเอาผ้าสายอย่างไม่ยอมเสียเวลา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 คงเหลือแต่คอที่ด้วนอยู่ในลักษณะเบิกวะน่าสยองเลือดกระเซ็นว่อนไปทั่วปันหนึ่งจะย้อมก้อนหินในใบกล้วยป่ารอยบริเวณ น, นั้นให้เป็นสีแดงคล้ำเป็นหมดส่งกลิ่นคาวตรบอบอวนทันทีที่ในโตลูกที่สองสำแดงเด็ดขึ้นเด็ดหัวเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนั้นป่าก็แตกอู้มาทางเบื้องหลังของทั้งสองเสียงจันทรกับบุญขำร้องเอ็ดอึงเตือนลงมาจากเนินป่ากล้วยเบื้องบนพร้อมกัน ไรเฟิ่จากด้านนั้นก็แผดระเบิดขึ้นอีกสองนัดซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องเหลียวกลับไปทั้งระพดและแง่าสายก็บอกได้ในทันทีว่ า, านางตัวเมียที่วิการด้วยการระดมยิงไว้ก่อนกำลังวกตรบตรงเข้ามาอย่างเปรี้ยวกราดโกรธแค้นโดยไม่คำนึงถึงชีวิตด้วยสัญชาตญาณคู่ของมันซึ่งบาดนี้ดับดิ้นไปแล้วมันรากตัวมาอย่างแช่มช้าด้วยกาลังอาฆาตแค้นช่วงสุดท้ายของมัน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 ผ่านพื้นเมืองทั้งสองก็ช่วยกระดมยิงข้ามศีรษะลงไปยังตีนเนินสนันวันไหวและพินเอี้ยวคอหันกลับไปมองก็ใจหายพูดลำตัวอันมหึมาของนางงูยักษ์ตัวนั้นเลื้อยคล่อมผ่านก้อนหินลูกที่เขากับแง่ทรายหลบซุ่มอยู่เมื่อตะกี้นี้มาแล้วส่วนหัวชะเง้อตะแลงลงชายเนินแล้วก็เคลื่อนดิ่งเข้าหาซาก ข, ของคู่มันที่กองพนเนินเทินทึกอยู่โดยไม่ได้สนใจหรือสะทกสะทานต่อกาซูนไรเฟิลที่บุญขามและจันทร์ช่วยกันระดมกระหน่ำลงไปในขณะนี้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 ยังลองเสียงระดับที่สูงกว่านี้วิถีกระสุนจะต้องแล่นทะลุลงกลางศีรษะทางด้านบนซึ่งน่าจะได้ผลกว่าการยิงเสยขึ้นจากระดับต่ำพอมันล่นตูมออกไปเขาก็เห็นเจ้าอสูรดึกดําบันดิ้นพรวดพลาดสุดแรงเกิดตีแปลงจนก้อนหินในระแวกใกล้เคียงถล่มร่วงกรูเกลียวพลิกหงายท้องฟาดฟัดตัวเองเป็นเกลียวอยู่หลายตลบและผินใจชื้นขึ้นในบาดนั้นกระชากปลอกออกทิ้งอย่างรวดเร็ว ยักนัดใหม่ขึ้นรังเพลิงแล้วเล็งซ้ำลงไปอีกเป็นนัดที่สองโดยไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปแนมะ้แต่งนาทีเดียวนางงูยักษ์ผู้สะบักสะบอมอยู่ก่อนแล้วถลายกลิ้งจากเนินลาดตรงตำแหน่งที่เจ้าตัวผู้นอนเป็นซากอยู่ลงไปดิ้นทุรนทุรายอยู่ยังชายเนินเบื้องร่างบริเวณที่มันฟาดตัวดิ้นราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายพงไม้ใหญ่น้อยในรูแวกใกล้เคียงถูกรำตัวที่กวัดกว่าห ย, ยุกไปมาบทหักราพนาศูนย์ราวกับมีอะไรมากวาด เสียงดังคืนโครมสนันวันไหวไปหมดเขาส่งกระสุนไปที่ศีรษะของมันจนหมดชุดที่บรรจุอยู่ในซองก็พอดีกับที่แงสายกระโจนกลับลงมาสมทบมันอยู่แล้วผู้กองกระเหลี่ยงร่างยักษ์ร้องลั่นออกมาอย่างตื่นเต้นยังไว้ใจไรไม่ได้ทั้งนั้นขอธนูจากแกอีกรูกเถอะเขาบอกอย่างไม่ยอมหายใจควักไลเตอร์ออกมาจากกระเป๋าขีดจุดขึ้นแงสายกรพาธนูขึ้นสาย ในระหว่างที่งูยักษ์ยังดิ้นปดัดพันตัวยุ่งเหยิงอยู่เป็นเปรียวอยู่เช่นนี้แล้พินจ่อเปรียวเข้ากับชนวนแล้วซุดตัวลงนั่งหลีกทางให้พร้อมกับออกคําสั่งให้ยิงแง่ทายน้ำคันธนูลูกที่สามแล้วปล่อยลงไปอย่างปลาณีตมันเล่นเข้าปากกลางลําตัวบริเวณใกล้กับส่วนคอของสัตว์โลกล้านปีแล้วกึกก้องกำปนาดขึ้นอีกครั้งในเวลาชั่วพริบตาเดียวแรงสะท้านของระเบิดทําให้ทั้งคนกินและคนจุดฉนวนผู้อยู่บนที่สูงชัน พงะหัเสียรักกลิ้งลงมาตำเนินลาดติดโคนต้นกล้วยกอนหนึ่งทับซ้อนกันอยู่ครุบคลักร่างของเขาทับอยู่บนร่างของแง่าสายพรานใหญ่ยันกายลุกขึ้นก่อนส่งมือไปให้อดีตนายทหารกองโจนกลียงจับแล้วฉุดให้ยืนขึ้นก็พอดีกับที่ได้ยินเสียงโห o ร้องอย่างยินดีของบุญคำกับจันทร์ผู้วิ่งตรงลงมาสมทบชี้มือให้ดูลงไปข้างล่างพร้อมกับเสียงเอ็ดอึงฟังแทบจะไม่ได้สับเมื่อเหลียวลงไปดู และเพียงก็มีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ยักษ์ใหญ่ตัวที่สองพบกับการอาวสานของมันลงแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของทางด้านหัวมันบัดนี้พริกหงายพาดกองอยู่บนส่วนลำตัวของมันเองสงบนิ่งเป็นดุษณีแม้แต่ปลายหางก็ไม่กระดิกให้เห็นอำนาจระเบิดของไนโตรทำลายกระดูกก้านคอและระบบประสาททุกส่วนของมันให้พินาตลงอย่างเฉียบขาดขาดที่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 นอกจากจะพากันยืนเบิกตาโพรงจ้องลงไปยังซากงูยักษ์ทั้งสองตัวเบื้องล่างไม่ห่างลงไปนะักลำตัวอันยาวเยียดของมันทอดขวางทางลงชายเนินไว้หมดสิน้นราวกับมีกำแพงย่อมๆมากั้นไว้ทันใดนั้นรับพินก็เป็นคนแรกที่เฉลียวคิดในสิ่งผิดปกติร้องออกมาโดยเร็วพร้อมกับกวาดสายตาค้นหาไปรอบๆขยินอยู่ไหนทุกคนจึงเพิ่งนึกขึ้นมาได้ และก่อนที่ใครจะเอ่ยเช่นไรต่อไปนั่นเองต่างก็ได้ยินเสียงคลางแววออกมาจากโดงกล้วยอันหนาทึบอีกด้านหนึ่งไม่ห่างออกไปนะักทั้งหมดพากันพรูเข้าไปค้นหาอย่างรวดเร็วด้วยความร้อนใจแล้วก็พบนักเกรียงชาวดอยในบ้านหลมช้างนอนแง่งแม้งหน้านิ่วคิ้วขมวดคลางอ๋อยอยู่โคนกอกล้วยตอนหนึ่งทั้งหมดตรงเข้าไปรายล้อมซักถามและตรวจดูอาการของขยินแล้วก็โล่งใจไปถนัดเมื่อพบว่าจะนักเกรียงขี้โม้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะัก นอกจากหล่นลงมาแตโพกคลากไปข้างหนึ่งภายหลังจากช่วยกันแก้ไขอยู่ครู่ใหญ่ขยินก็พอจะลุกขึ้นเดินขเยกได้ชายยันเล่าถึงนาทีวิกฤตที่เผชิญมาให้พรานใหญ่ทราบไอ้ลิงธโมนี่รอดตายมาได้ครั้งนี้เป็นปาฏิหาริย์แท้ตอนที่มันคาดติดป่ากชูขึ้นผมนึกว่าขยินต้องตายแน่แล้วชายยันกล่าวในตอนท้ายเสียงยังไม่ไวยสันถ้าคุณชายยันไม่ยิงนัดแรกออกไปขยินก็ต้องตายแน่ครับ มันถูกเข้านัดนั้นทำให้มันเสียจังหวะไปผมกับแง่ายก็กดไล่หลังมันมาติดๆ ต, ตอนที่มันไล่มาทางนี้ตัวนายบ้านเองหน้าเหลือสองนิ้วปากซี่ตัวสันเห็นแต่ตาขาวที่กรอบกลิ้งอยู่ไปมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่สามารถจะเ อ, อ่ยอะไรออกมาได้ขยินพบกับความขวัญห น, นีดีฟอยิ่งกว่าทุกคนชายยานต้องงัดบรันดีที่ติดตัวอยู่ในย่ามหลังออกมากรอกปากให้พักใหญ่จิงหน้าตาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้าง ทั้งหมดพา ก, กันนั่งพักสงบสติอารมณ์อยู่บนเชิงเนินบริเวณปากกล้วยแห่งนั้นอยู่เป็นเวลานานยังไม่มีใครคิดที่จะตายกลับลงไปยังตีนเนินเบื้องล่างอันมีสร้างมโหรารของงูยักษ์ถึงสองกองอยู่จันทร์ไปเก็บใยเฟื่ของชายยานกับดารินที่ตกอยู่ขณะที่ตาลีตาลานหนีมฤตยูเข้าหาที่กําบังมาคืนให้เจ้าของทุกคนตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกอันยากที่จะอธิบายถูกในเหตุการณ์วุ่นวิบจวนเจียนต่อชีวิต ซึ่งเผชิญโดยมุมต่างๆกันแต่ละคนล้วนคิดว่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิตตนได้มาถึงแล้วทั้งนั้นแม้แต่ละพินหรือแงซายเองการรอดตายและปากเจ้าอสูรร้ายทั้งสองตัวราบคาบลงได้จึงเป็นเรื่องคลับคล้ายครับคาเหมือนอยู่ในความฝันดารินก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกันกับขยินหล่อนพูดอะไรไม่ออกอีกเลยนับตั้งแต่งูยักษ์ทั้งสองถูกปากหมดที่ตง นั่งกายสั่นเทิมกอดเข่าซุกหน้าอยู่ในท่อนแขนจ้องตามไม่กระพริบจับนิ่งลงไปยัางซากภูเขาเหลากาของมันเหมือนจะไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆที่หล่อนพบเห็นอยู่นี้มันเป็นความจริงไม่สามารถจะลําดับภาพใดๆได้ทั้งสิ้นมันสับสนไปหมดเหมือนฝันร้ายสิ่งที่หล่อนจําติดตาอยู่จนกระทั่งบัดนี้และไม่มีวันที่จะเลือนหายไปจากมโนภาพได้ก็คือภาพของศรีรษะอันแสนจะน่าเกลียดน่ากลัวชูร่อนโผ ข, ขึ้นมาจ้องมองดูหลอน ขณะที่ซุกตัวแอบอยู่ในซอกกำบังของก้อนหินพร้อมกับลิ้นที่แลบแบแบบเข้ามาใกล้าราวกับจับตวัดพันุ์ล่างของหล่อนและดึงหายเข้าไปในปากอแลดูราวกับถ้ำมรณะนั้นไม่เคยมีการผจนภัยครั้งไหนที่ทําให้นักมนุษย์ยาสาวสยดสยองพองขนเท่าครั้งนี้หล่อนกับชา ย, ยันเผชิญหน้ากับมันอย่างใกล้ชิดที่สุดโดยมีซอกหินกั้นเป็นเครื่องช่วยชีวิตได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นและถ้าไม่ได้ชา ย, ยานันผู้มีสติดีคอยฉุดหลอนพานี่ ปานนี้หล่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะในขณะนั้นประสาททุกส่วนเป็นอมาาพาสไปหมดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยขยินตายไปแล้วแต่ขยินเกิดใหม่นายบ้านหลมช้างบ่นพึมพำออกมาได้ประโยคแรกความตนก อ, อกสั่นค่อยจางไปกลายมาเป็นความปิติโสมานัดเหลือที่จะกาวจ้องตาเบิกโพลงไปยังซ่า ง, างูทั้งสองและขยี้ตาอยู่หลายครั้งหัวเราะร่าออกมาได้ บุญคำขากถุยดังสนัน่นผ่าวคขยินเอ็ไม่น่ารอดมาได้เลยนำทางดีนักนำไปนำมาเสือกนำเข้าไปอยู่ใต้ท้องของมันก็ให้มันหน้ากระทืบนี่ดีว่านายหญิงรู้ตัวเห็นข้าเสีย ก, ก่อนไม่งั้นเอ็ก็คงนำเข้าปากมันไปเลยคำพูดของตาพรานเท่าทำให้บรรยากาศอันเครียดหนักของทุกคนผ่อนคลายลงชายยานหัวเรา อ, ออกมาได้เป็นคนแรกตามนิสัยอันปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วของเขา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 ถึงอย่างไรขยินก็อุตส่าห์นำเราตามจนพบนั่นแหละมิหนาซ้ําตัวมันเองยังเกือบตายมากกว่าทุกคนสมละครับนายทหารบุญคําว่าหันไปมองดูขยินแล้วหัวล้อหืมมันยกหัวล่าไล่ขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไอ้ขยินยังเสือกยืนเซอ้อซ่าอยู่กลางทางคนเดียวคนอื่นเขาหลบหมดนายทหารสติดีแท้อุตส่าห์ยิงช่วยไว้มันเลยฉกลงมางับพาดติดแค่ผ้าเคียนเอวทั้างับถูกตัวไอ้ขยินขาดสองท่อนไปแล้ว แลต้ตาผ่านเท้าแห่งเขาอึมครึมก็สะบดพึมขยินไม่โต้ตอบอะไรทั้งสิ้นนอกจากยิ้มแ ย, แย่ๆและวผินปลดกระติกน้ําออกดื่มกุ้วคออันแห้งผากเป็นครั้งแรกพร้อมกับระบายลมหายใจเฮือกออกมาชําลืงไปทางหญิงสาวเห็นอย่างนั่งงงเฉย อ, ยอยู่เช่นนั้นเหมือนจะตกอยู่ในผวังแต่แล้วหล่อนก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นเมื่อชยันเอื้อมมือไปรูปหลังทักยิ้ ม, มว่าเป็นยังไงน้อยนั่งโปรงอะไรอยู่ลรืองเงียบไปเลย ดาลินยืดตัวตรงขึ้นหลับตาสะบัดหน้าแรงๆสองสาครั้งแล้วลืมตาขึ้นใหม่หันมามองหน้าผู้ร่วมคณะทุกคนเสียงแห่พลาฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันฝันไปหรือเปล่าว่าแต่มันตายแน่นะตัวหนึ่งหัวขาดไปเลยเห็นทนโทษอยู่นั่นอีกตัวหนึ่งคอหักหงายท้องหลาถ้าไม่ตายก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วชยันตอบตบไหล่เพื่อนสาวมาอย่างปลอบใจดาลินจ้องภาพนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาตนเองนะัก แล้วพนมมือไหว้เหนือรวงอกแงงหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนจะขอบคุณต่อสวรรค์โชคดีเหลือเกินที่คุณหญิงหยุดพักที่ใต้ซุ้มหินตรงนั้นแล้วเหลือไปเห็นมันโดยบังเอิญไม่งั้นพวกเราอาจเดินเซ้อซ่าเข้าไปใกล้ส่วนหัวมันโดยไม่รู้ตัวและมันเห็นเราก่อนก็ได้พรานใหญ่พูดขึ้นเบาๆอย่างอดที่จะหวาดเสียวต่อเหตุการณ์ไม่ได้หญิงสาวกล้ามกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงคอบังเอิญอาการหนาวสะทานขึ้นมาอีกครั้ง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 และได้ยินเสียงโห่ร้องแสดงความดีใจจากบุญคําและจันทร์นั่นเองแล้วก็ออกมาเห็นซากฮูยักษ์ทั้งสองกองหยุดตีนเนินในลักษณะหมดฤทธิ์เดชวายปราลงด้วยอํานาจของไนโตรกิสลีนสมดังที่คาดหวังไว้มันพิสูจน์ให้เห็นชัดได้ว่าพรานนําทางและเจ้าคนใช้ชาวดงสามารถทํางานประสานกันได้อย่างกลมกลืนไม่มีอะไรขัดเมื่อความจําเป็นขีดสุดได้มาถึงส่วนบุญคํากับจันทร์ก็เป็นมือที่ไว้วางใจได้ทีเดียว เพราะตลอดเวลาได้ยินเสียงปืนจากทั้งสองแผสนันอยู่ไม่ขาดระยะแสดงว่าไม่ได้เสียสติเลยคงศาสตร์กระสุนเขาใส่ยัก์อย่างพรานเลือดค้นแท้จนวินาทีสุดท้ายคงมีแต่ขยินกับดารินเท่านั้นที่ตกอยู่ในภาวะเสียขวัญทำอะไรไม่ถูกอดีตนายทหารปืนใหญ่เอื้อมมือไปจับแขนพินกับแงซ า, ายไว้คนละข้างบีบแน่นแล้วถอนใจออกมาอีกครั้ง เขาไม่จําเป็นอะไรจะต้องตาวสรรเสริญในฝีมือและน้ําใจของบุคคลทั้งสองเพราะซึมทราบดีมานานแล้วเพียงแต่พึมงพาออกมาว่านี่ถ้าไม่ได้ธนูติดระเบิดพวกเราเห็นจะไม่มีทางปราบมันลงได้เลยนอกจากกลายเป็นเหยื่อไปหมดตอนที่มันชูหัวขึ้นมาหมายจะเล่นงานผมกับน้อยตรงปากถ้านั่นผมบอกไม่ถูกว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไรเห็นหน้าเห็นตาเมันถนัดทีเดียวห่างไม่กี่วานเท่านั้นความใหญ่โตมโหฬารของมันไม่ไกลนักหรอก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 ก็ไม่เชิงครับผมเรียนแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่เราจะส่งกระสุนเ<ม>ข้าจุดสําคัญของมันได้เพียงไหนเท่านั้นก่อนที่แง่ทรายจะยิงระเบิดไปที่ตัวหลังผมกดด้วยจุดสี่ห้าแปลงไปกลางหัวของนางตูเมียพอเห็นเป้าหมายถนัดเป็นการยิงจากด้านบนนัดแรกเท่านั้นเห็นมันม้วนกลิ้งไปทันทีเหมือนกันเพราะลูกปืนตัดเป็นเส้นตรงผ่านกลางสมองเพียงแต่มันไม่ตายคาที่อย่างฉับพลันทันใดเหมือนสัตว์อื่นเท่านั้นแต่ไม่มีทางจะแผลงฤทธิ์อะไรได้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 ให้มันได้อย่างงี้สิน่าพ่อคุณเอ้ยแล้วไอตัวหลังล่ะถูกคอครับตูมเดียวเท่านั้นคอหักพิกท้องนิ่งไปเลยไม่กระดิกแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่ช็อกไปชั่วคราวแล้วก็ฟื้นขึ้ น, นมาอีกนะฉันไม่มีแรงวิ่งอีกแล้วดาลินพูดมาด้วยเสียงกระซิบดูหล่อนจะยังไม่มีไว้ใจนักชา ย, ยันหัวเราะลั่นออกมาอย่างขบขันในคำพูดและอาการของหญิงสาวแต่ละพินมองดูร่อนอย่างห็นใจ ลองดูเพื่อความแน่ใจอีกครั้งก็ได้นี่ครับยิงเข้าไปที่หัวของมันสักนัดสองนัดถ้ามันยังตายไม่สนิทมันก็กระดิกตัวให้เราเห็นเองหญิงสาวของนั่งนิ่งเฉยอยู่เช่นนั้นอย่างหมดเรี่ยวแรงชายยันจึงขยับตัวลุกขึ้นยืนคว้าไรเฟินประจําตัวขึ้นประทับปากบอกกับนายไซว่าเตรียมธนูกายสิทธิ์ของนายไว้พร้อมนะนายไซเผื่อมันเกิดจั๊กกะจี้เพราลูกปืนของฉันยักเอวยักไหลหัวเราะก้าออกมาเมื่อไหร่แล้วก็ช่วยซ้าให้ทันการด้วย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 หลอนทั้งเกลียดทั้งกลัวและยังอดที่จะระแวงอยู่ไม่หายรอบได้บริเวณใกล้เคียงนองไปด้วยเลือดเนี้ยลเนอะแทบจะว่าอาบไปทุกโขดหินแลหมู่ไม้ชิ้นส่วนของบริเวณศีรษะเจ้าตัวผู้กระเด็นกระจัดกระจายไปหลนอยู่ทั่วไปกําหนดสันธารไม่ได้ว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างเพราะความรุ่งริ่งของมันบางชิ้นกระเด็นห่างจากลําตัวถึงสี่ห้าสิเมตรข่าวเลือดได้กลิ่นระเบิดผสมคลาคล้งไปหมดพอเข้ามาเห็นโดยใกล้ชิดเช่นนี้ ความใหญ่โตมโหฬารของมันแทบทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสัตว์อะไรทราบที่กองอยู่ดูราวกับกำแพงโคดินขวางกั้นอยู่เฉพาะเท่าที่เห็นเพียงรอยเลือดไปในทุ่งหญ้าคำนวนกันไว้ก่อนว่าจะต้องมาหืมายิ่งแล้วมาเห็นตัวมันใกล้ๆเช่นขณะนี้ปรากฏว่ามันใหญ่กว่าที่กะกันไว้เสียอีกตรงบริเวณสันหลังกลางลาตัวอันเป็นบริเวณที่อวบใหญ่ที่สุดคนร่างสูงใหญ่ขนาดแง่ทรา ย, ายเข้าไปยืนเทียบแล้ว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 ก็สมควรแล้วที่เราจะคานเสื้อร้างเข้าไปนั่งพักอยู่ใต้ท้องของมันโดยไม่รู้ตัวอย่าว่าแต่เข้าไปนั่งพักอยู่ใต้ท้องมันเลยสมมุติว่ากําลังเดินเข้าไปในพงทึบเจอลําตัวมันทอดขวางอยู่แบบนี้ก็คงนึกว่ามูลดินหรือซากต้นไม้ใหญ่ล้มขวางอยู่ดีไม่ดีตายขึ้นไปหงข้าบนหลังของมันส่งไปน่าเสียดายกล้องถ่ายรูปของน้อยเหลือเกินถ้าไม่พังไปเสียขาวไอแว้แหวงบุกและมีติดตัวกันมาด้วย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 ทีนี้พอจะมีแรงเดินกลับหรื อ, อยังนักมานุษยวิทยาคนสวยครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งแล้วหัวเราะออกมาอย่างกระฟัดกระเฟียดอ๋อนี่มาแกล้งย่วยฉันมีแรงขึ้นมางั้นหรือก็เห็นน้ํามันหมดลงนั่งทอดอะไรแล้วก็เลยเอาออกเทนมาช่วยเติมให้ดีมันเติมเชือ้อเข้าไวเ้เถอะออกเทนมันคงจะลุกคลอคนเติมเข้าให้สักวันหนึ่งหรอแล้วผิดยากไรไม่เป็นไรไม่ได้บังเอิญผมเป็นตํารวจดับเพลิงเก่า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 ขยินก็ออกวิ่งส่งเสียงร้องบอกพวกพ้องเอ็ดึงเข้าไปก่อนอย่างวิ้โลดปีดาพวกชาวบ้านดอคอยรับอยู่ก่อนแล้วพอขยินแล่นแหกปากตะโกนบอกถึงโชคชยัยความสําเร็จโวยวายเข้าไปเสียงโห่ร้องก็ดังกึกก้องขึ้นทั้งหมู่บ้านอื้ออึงไปหมดทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าเป็นลูกเด็กเล็กแดงมาชุมนุมกันแน่นขนาดอยู่ที่กลางลานกว้างท่ามกลางแสงคบเพลิงที่สว่างสวยไปทั่ว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 น้องสาวก็โผลเข้าไปกอดพี่ชายไว้แน่นชายยันตรงเข้าไปกอดไว้อีกคนหัวเราะดังสนั่นออกมาชายโยสิเชษฐาชายโยให้ดังที่สุดให้แก่โชคชายของเราและให้แก่วีระบุรุษสองคนผานใหญ่กับคนใช้พิเศษของเราทางขวานั่นเป็นเกตของเจ้าตัวผู้ส่วนทางซ้ายนี่เป็นเกดของนางตัวเมียอยู่หมดแล้วทั้งสองตัวเราเอาลักฐานกลับมาให้ดูได้เพียงเกดของสองเกดนี้เท่านั้นเองเชษฐาไม่ได้ชายโย เขาคงยืนตะลึงงินไปด้วยความปราบปื้มตื่นเต้นเช่นนั้นแต่พวกลูกหาบและพลานพื้นเมืองพากันโห่ขึ้นกึกก้องพวกชาวบ้านที่แห่ตามกันมาร้อมเรือนใหญ่ไว้แน่นขนาดก็โห่ร้องรับขึ้นด้วยสนันวันไหวบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีสมมนั้นเมื่อสั่งจากตะลึงหัวหน้าคณะก็เคลื่อนเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้ารพินกับแง่ทายกางแขนโอบ ก, กอดไว้คนละด้านระพินเสียงของเขาคงเครืออยู่เช่นนั้นด้วยความตื่นตันใจ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 ดารินถอดเสื้อราสัตว์ของหล่อนออกเหลือแต่เชิ้ตเบาบางแล้วตรงเข้าไปดูเจ้ามุคนไข้ของหล่อนซึ่งบัดนี้กําลังนอนลุมตาโพรงสดับฟังเสียงพูดกันแซดเออกระเลิกอันบ่งความหมายโชคชัยแล้วซุบซิปถามความกับนางอ้วกคูรักที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆพอเห็นนายหญิงเคลื่อนตรงเข้ามาด้วยสีหน้าเบิกบานนางก็ถลาเข้ามากอดขาไว้ทรงภาษาถามและร่ำมารักออกมาดารินเดียกเกิดผู้ยืนอยู่ใกล้ที่สุดให้เข้ามาเป็นลา่า่ ถูกแล้วที่เจ้ากับมุได้ยินอยู่ในขณะนี้ไม่ผิดไปหรอกงูยักษ์ตายแล้วทั้งสองตัวจะไม่มีงูยักษ์ที่ไหนมาอรารวาสที่นี่อีกเจ้าทั้งสองพลเคราะห์แล้วนางอ้วร้องไห้โหออกมาด้วยความดีใจเหลือที่จะกล่าวเกลือกใบหน้าลงบนหลังเท้าของรอนและหันไปกอดชายคนรักไว้เจ้ามูมีสีหน้าสดใสแช่มชื่นขึ้นในบัดนี้น้ําตาคลอเบ้านายหญิงว่านายหญิงยิ่งกว่าแม่ของมูเอง ลูกของมูลูกของลูกของลูกต่อไปทุกชั้นมุจะสอนให้ระลึกถึงนายหญิงเกิดแป่เสียงปุ่มพำของเจ้ามุให้่อนทราบไม่จำเป็นถ้าเจ้ายังระลึกถึงเราอยู่จงจำแต่เฉพาะเมตตาธรรมและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่เราได้มีไว้แก่เจ้านั้นเถิดต่อไปเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าบ้านแห่งนี้ปกครองบิวานสืบแทนต่อจากพ่อของเจ้า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 ดาลินใช้ให้เกิดไปตามขยินเข้ามาในทันทีนั้นยิ้มให้อย่างอ่อนโยนเป็นครั้งแรกแล้วว่าขยินถึงเวลาแล้วหรือยังที่เจ้าจะให้อภัยแก่เจ้าโมและนางอั้วยอมรับทั้งสองมาเป็นลูกชายและลูกสะภ้ายของเจ้าให้กลับคืนมาอยู่ในหมู่บ้านขยินเป็นคนผิดเองนา ย, ยาหญิงขยินพึมพำแผลบเครือก้มหน้าไม่อาจจะศบตาหล่อนแล้วเอื้อมมือไปจับแขนลูกชายผู้นอนเจ็บจูไว้อีกมือหนึ่งจับแขนหนางอั้ว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 ความสงบสุขกลับคืนมาเหมือนเดิมสภาพอันเงียบเหงาซึมเศรา้ากลายมาเป็นความคลึกคักรื่นเริงทั่วหน้าคนเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขเหมือนเคยแน่ละจนกว่าจะมีภัยธรรมชาติใดๆกล้ามกลายเข้ามาบิธาอีกอันเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในชมรมชาวป่าชาวเขาซึ่งฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับธรรมชาติแวดล้อมที่ส่งอิทธิพลอยู่เหนือ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 หล่อนทวนคำขมวดคิ้วจ้องมองดูถุงผ้าดิบในมือของเขาครับอะไรแทนคำตอบพรานใหญ่วางถุงลงกับพื้นห้องสิ่งที่ทวงหนักอยู่ก้นถุงเคลื่อนไหวดุบดิบเล็กน้อยอึดใจเดียวมันก็ค่อยๆ ค, ค, คลานตอะแตะโพหัวออกมาทางปากถุงปรากฏกับสายตาของทุกคนที่จ้องจับด้วยความประหลาดใจพอมองเห็นได้ถนัดทั้งเชื่ถากับชา ย, ยานก็อุทานออกมาเบาๆลูกเสือตัวมันขนาดแมวเขิงๆแต่อวบกลมกว่า โดยเฉพาะที่หน้าสั้นหูมนและอุ้งตีนใหญ่กว่าแมวหลายเท่ายังพ่อแป้เชื่องช้าและเดินไม่ถนัดนักคลานไปได้สองสาก้าวขาหลังก็พันกันล้มแผะแสดงว่ายังอ่อนมากขนฟูปุกปุยน่ารักดาดินร้องอะไรออกมาคำหนึ่งย่างตื่นเต้นยินดีที่เกิดขึ้นอย่างกระทานหันตาเป็นประกายผุดรุกขึ้นโดยเร็วปราดตรงเข้ามาขยับจะก้มลงอุ้มแต่แล้วก็ชะ ง, งักเพราะเราผีนขวางไว้เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งเขาท้วงต่ําๆ ทำไมมันดุเหรอมันยังไม่ดุหรือเดียงสาอะไรดอกครับแต่มันคงไม่ถูกกับกลิ่นแทนโรชั่นของคุณหญิงแน่กลิ่นไออารยธรรมกับสาพรายมันไปกันไม่ได้พูดผ้าไปอุ้มมันเข้ามันจะขวรเอาหล่อนยืนซอยเปลือกตามองดูเจ้าพยักน้อยที่ขาดตุวมเตียมอยู่กับพื้นตรงหน้าอย่างรักไข่เอ็นดูดีใจจนออกหน้าเห็นได้ชัดเต็มไปด้วยความรู้สึกอยากที่จะจับต้องฉันอยากอุ้มมันเหลือเกินมันคงไม่กัดคนที่รักเอ็นดูมันอย่างฉันหรอก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 แต่ไม่เจ็บปวดอะไรนักเพราะยังเป็นลูกอ่อนอยู่มากอดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะหึ่เดินยังไม่แข็งเลยเอาเรื่องเสร็จแล้วนี่เนี่ที่เขาเรียกว่าลูกเสือลูกตะเค้เลี้ยงไม่ได้ส่อสันดานอันธพาลตั้งแต่แรกเดิมทีเดียวประเดี๋ยวทุกเปรี้ยงคอหักเขาเป๋นี่ดารินกราดเข้ามาถึงตีแขนชายยานดังเผียเต็มแรงกระชากไหล่ให้ห่างออกมาร้องเสียงแหวรลองสิลองมาทุบเป็นคอหักฉันก็เอาเธอคอหักด้วยเหมือนกันแหละ ไปอย่ามายุ่งนี่มันลูกเสือของฉันมีอย่างหรือเอานิ้วไปทิ่มหน้านางแกมันมันก็โกรธขึ้นมาบ้างสิแล้วหล่อนก็หันไปพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกับไอ้ลายด้วยตัวน้อยค่อยๆเอื้อมมือไปรูปมันอย่างปลาณีถนอมเจ้าโคร่งเพิ่งเกิดอ้าปากแยกเคี้ยวตั้งท่าตบสู้มือหล่อนอยู่ก็ยอมให้หล่อนจับต้องตัวโดยดีหญิงสาวอุ้มมันวางไว้บนตักขวเร้ออกมาอย่างดีใจเห็นไหมมันเชื่องแล้วก็น่ารักกว่าลูกแมวอีก ชายยันเบ้ปากยังไม่ศรัทธาถูกใจละสิของกำนานจากขยินชิ้นนี้มันก็ช่างให้มายังก็จะรู้ใจงั้นแหละแต่ว่าเธอจะเลี้ยงงั้นหรือใช่ฉันจะเลี้ยงมันเองอยากได้มาตั้งนานแล้วข่าวที่หลงป่าไปเจอลูกเสือเข้าพรานใหญ่เอามีดฟันมันตายหมดฉันกับเขาเกือบจะฆ่ากันตายแล้วเพราะเรื่องนั้นหล่อนกล่าวปนหัวรอดเสียงใสมือรูปคาอยู่ที่ลูกเสือมองไปทางราพิน จอมพานบอกมาเบาวๆว่าคราวนั้นมันจะเป็นอย่างไรคุณหญิงก็เห็นแล้วคราวนี้ผมก็เลยแก้ตัวใหม่เพราขยินมันถามมาว่าจะหาอะไรเป็นของกำนันให้คุณหญิงดีผมก็เลยบอกว่าลูกเสือที่มันเพิ่งได้มานั่นแหละคุณหญิงชอบมากมันเลยรีบให้มาขยินยิ ง, งแม่มันตายเมื่ออาทิตย์ก่อนที่หุบหลังเขาเอาลูกมันมาเลี้ยงไว้มันใช้ให้ผมเอามาให้คุณหญิงตั้งแต่วานนี้แล้วมัวยุ่งๆเรื่องปลูกบ้านผมก็เลยลืมเสียคืนนี้นึกขึ้นมาได้เลยหิ้วมาให้ เลอขอบใจมากๆทั้งคุณและขยินบอกเขาได้ว่าฉันดีใจที่สุดไม่เข้าเรื่องเลยน้อยเพื่อนชายพูดต่ำๆขัดคอมาอีกเลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงผ่าไปเลี้ยงเสือไอ้โครงเสียด้วยลืมซะแล้วรู้ว่าไอ้ตัวพันนี้แหละที่ทำให้พวกเราต้องนอนตามไม่หลับกันมาตลอดเวลาเดินทางวิดตายกันมาก็ตั้งหลายหนแล้วเราก็ฆ่ามันมาซะจนเป็นเบือ่อชนดิดที่พบกันเมื่อไหร่ก็ซัดเมื่อนั้นยังเอามันมากอดจูบอยู่ได้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 แต่ยามรังแกมันเป็นอันขาดฉันรักของฉันที่จะเลี้ยงมันเองเอาเขาเถอะเชิญฟักฟูมเจ้าลูกชายผู้น่ารักไปตามสบายความจริงควรจะเอามันไปจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมเช่นด้วยถ้าอยู่ในเมืองก็จะเอามันไปจดทะเบียนเป็นลูกเหมือนกันแหละจะเอาไว้ให้คอยขบหัวคนบางคนเวลามันโตขึ้นซึ่งเชื่อว่ามันคงจะทําตามคําสั่งอย่างเต็มใจนะลูกนะแม่ผู้เป็นมนุษย์สาวสวยก้มลงพยักเยย์พูดกับลูกผู้ถือเชื้อชาติลายพาดก่อน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 เสือไม่ใช่แมวหรือสัตว์บ้านที่จะเชื่องกับมนุษย์ได้ตลอดไปถ้าจะเลี้ยงกันไว้จริงๆตามที่น้อยว่าพอเชื่องสักหน่อยก็ต้องหากรงใส่แล้วปล่อยมันเพ่นพ่านเหมือนหมาแมวได้เมื่อไร่ขืนทําแบบนั้นก็เดือดร้อนชาวบ้านอย่างดีจมุ ก, ก็มีหวังต้องยิงทิ้งคําพูดของพี่ชายทําให้หลอนอึ้งไปสีหน้าสนดตรงหันไปมองดูพรานใหญ่ถามแผ่วเบาว่าทําไมเราไม่มีทางจะเลี้ยงมันได้เชื่องเลยเหรือนายพราน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 พอโตขึ้นก็ต้องใส่กลงขายในสวนสัตว์ไปหมดแต่ลายนี้เขารับเป็นลูกบุญธรรมแล้วนี่ชายันอดไม่ได้ที่จะสอดมาเบาๆดาลินหันไปทำตาเขียวเฉยเหอะเรานะ่ะหลอนหันไปตะวาดนิ่งไปอีกครู่ก็ยักลายถอนใจเบาๆยิ้มออกมาจืดๆแต่ฉันมีความมั่นใจอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะเป็นทฤษฎีเดียวกับปัชญาของพระพุทธองค์มันอาจขัดกับทฤษฎีของสัตววิทยาก็ได้ นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายสักขนาดไหนก็ตามถ้าเรารักให้ความประนีเมตตาแก่มันอย่างแท้จริงบริสุทธิ์ใจมันก็ควจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเรานับภาษาอะไรกับที่เราเลี้ยงดูฟูมฟักมันมากกับมือพระทุดดงเวลาทุดดงไปในป่าท่านเพียงแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยใดๆแก่สัตว์ทั้งหลายมีแต่แผ่เมตตาให้มันเจ้าสัตว์พวกนี้พบเข้ามันยังหลีกเลี่ยงไปเสียจากท่านไม่เข้ามารังควานทาร้าย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 มันกำลังจะปล่อยให้ตายอยู่ทีเดียวพอดีผมขอมาให้คุณหญิงเสียก่อนโถหล่อนครางมองดูลูกเสือตัวน้อยอย่างน่าเวทนาโชคดีเหลือเกินนะที่เอาไม้ฉันเสียเอาละจะลองดูลูกมนุษย์ที่เกิดก่อนกำหนดทำท่าจะไม่รอดฉันก็เลี้ยงจนรอดมันหลายคนแล้วคราวนี้จะลองเลี้ยงลูกอ่อนของเสือดูบ้างแล้วหญิงสาวก็วุ่นอยู่กับลูกสัตว์ ร, ร้ายที่ได้มาแทนของเล่นแก้เหงาโดยไม่สนใจอะไรกับใครอีก มันเริ่มส่งเสียงร้องบอบาๆและเลียอยู่ที่หลังมือของร่อนเบื้องนอกเสียงร้องรําทําเพลงของพวกชาวบ้านทั้งหลายค่อยสั่งซาลงแล้วจนกระทั่งกลายเป็นความเงียบสงัดทุกคนผลาญจากการร่วมกลุ่มชุมนุมเมื่อหัวข้ามเข้าหลับนอนในย่าวของตนเชษถาชวนพรานใหญ่ให้ร่วมดื่มกาแฟและกินของหวานซึ่งเป็นเครื่องกระป๋องที่เปิดออกตั้งเรียงรายเต็มโต๊ะเตรียมคอยเขาอยู่แล้วมีพวกลูกพูนดินจีดองเม็ดแตงโมและของหวานขบเคี้ยวประเภทเครื่องจันโอบ แง่ช า, ายชงชาจีนแก่ๆเข้ามาตั้งให้อีกกาหนึ่งเสียดายเหลือเกินที่ผมไม่ได้ไปร่วมเหตุการณ์ตื่นเต้นกับพวกคุณด้วยเชษฐากล่าวขึ้นในตอนหนึ่งมองดูจอมพ่าด้วยตาคมสุขใสฟังเฉพาะที่น้อยกับชา ย, ยันมาเล่าให้ฟังยังใจหายใจคว่มไปด้วยหน่าแปลกมากที่อีกตัวหนึ่งมันมีงอนเหมือนไก่อย่างที่ชา ย, ยันบอกเป็นความจริงครับคุณชายเราเสียท่าจริงๆที่ไม่มีกล้องถ่ายรูป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 ธนูติดระเบิดแท้ๆ ท, ที่ช่วยเราไว้ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เรียกได้ว่าบุญวิดจวนเจียนทีเดียวคุณชายยันกับคุณหญิงถ้าไม่ได้ก้อนหินปากทํำเล็กช่วยไว้ก็เสร็จไปแล้วเหมือนกันเรื่องหน้าขำเท่าๆกับที่หวาดเสียวที่สุดก็คือเราทั้งหมดเข้าไปนั่งพักปรึกษากันอยู่ใต้ท้องของมันโดยไม่รู้ตัวคุณชายยันคงเล่าให้ฟังแล้วไม่ใช่หรือครับหัวหน้าคณะหันไปมองดูน้องสาวและเพื่อนรักแล้วหัวเราะอย่างพลอยนึกสนุกไปด้วย เล่าให้ฟังแล้วเป็นเรื่องแปลกมากทีเดียวผมอยากจะให้มีกล้องถ่ายภาพพวกเราทุกคนตอนนั้นเอาไว้หรือเกินคงหน้าดูพี่ลึกอ๋อน่าดูสิเพราะแกนอนสบายอยู่นี่ไม่ได้ไปโดนกับตัวเองเข้าด้วยนี่ชยันสอดมาห้าวๆเป่าลมออกจากปากกล่าวต่อมาแม่มดดารินของเรามีตาทิพย์ได้วิเศษมากหลับตาท่องคาถาพักเดียวพอลืมตาขึ้นมาก็สามารถบอกได้ทันทีว่าไอ้ยักษ์อยู่ไหนที่แท้ก็นนอยู่บนกระบาลของทุกคนนั่นเอง จะหลับตาดูเสียก่อนหน้านั้นหน่อยก็ไม่ได้มิหนำซ้ําแทนที่จะบอกก็เปล่าเอามือมาแตะเอลส ก, กิดแงะยัอย่างนี้ว่าแล้วชั ย, ยันก็ทําท่าของดาลินที่ส ก, กิดบอกเขาให้เชิดฐาดูทุกคนหัวร้ขึ้นในท่าทางชวนขันของชัยยันแต่คนถูกร้อเรียนอาการครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งใครบอกฉันไม่ได้ทําท่าเป็นสันิบาณอย่างนั้นสักหน่อยเอื้อมือไปส ก, กิดบอกนั่นน่ ะ, นะดีเท่าไหร่แล้วดีที่ไม่หัวใจหยุดไปเสียเฉย ก็แต่ละคนดีกันนักนี่เสื้อซ่ากันทั้งนั้นฉันเป็นพูดตามอย่างไม่ใช่พูดนําแล้วก็เป็นคนอ่อนหัดที่สุดในคณะยังเห็นมันก่อนทุกคนจริงของคุณหญิงครับพวกเราเสื้อซ่ากันทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยพรานใหญ่ยอมรับหัวเราะ อ, อยู่ในลําคอเช่นนั้นโครงศีรษะแช่มช้าเมื่อหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ตอนนั้นนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตพรานของผมทีเดียวที่ตามรอยสัตว์แล้วไปจุดใต้ตำต่อเข้าจังใหญ่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 เขายังไม่ได้รับทราบอะไรเรื่องนี้จากปากคำของพรานใหญ่เองเลยนอกจากจะฟังเฉพาะที่ชัยยาและดาลินเล่าให้ฟังเท่านั้นเป็นยังไงแงสายร่วมทีมเวิร์กกับคุณได้ดีไม่ใช่หรือครับดีเกินคาดเะอีกในด้านกำลังใจสติและฝีมือเจ้าคนคนนี้ใช้ได้ดีทีเดียวผมเสียอีกวินาทีฉุกเฉินมาถึงเข้าจริงๆผมกับปลุมเรื่องที่จะต้องมีหน้าที่จุดชนวนให้หมอจนหมอต้องร้องเตือน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 ขยินบอกฉันเองว่าเราออกจากกลมช้างเมื่อไหร่มันจะขอติดตามไปรับใช้ด้วยโดยยกตำแหน่งหัวหน้าบ้านให้เจ้ามูครองแทนต่อไปรวมทั้งยินดีให้หนังอ้วอยู่กินกับเจ้ามูด้วยทั้งหมดหันขวับไปทางร่อนเป็นตาเดียวจริงเหรือน้อยพี่ชายถามอย่างประรหลาดใจขมวดคิ้วจริงค่ะพี่ใหญ่ถ้าเกิดผู้เป็นล่ามแปลข้อความไม่ผิดไอ้ลิงโมลขยินน่ะล่ะจะขออาสาตามเราไปด้วยแปลกแท้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 เราก็ได้เจ้าตัวเกะกะน่ากลัวที่สุดและน่าจะเป็นศัตรูแต่แรกมาเป็นคนของเราอีกคนเชี่ยวาพึมนพาออกมาอย่างปิติและทุกคนก็ตระหนักดีว่านั่นเป็นความสามารถในทางจิตวิทยาของดารินวราฤทธิ์นั่นเองที่ทําให้เสือโคร่งอย่างขยินกลายมาเป็นลูกแมวเชื่องๆที่ยอมสวามิภักดิ์ได้อย่างราบคาบทั้งสสนทนากันอยู่ดึกเป็นพิเศษเพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึงภารกิจใ ด, ดๆในวันรุ่งขึ้นพอเที่ยงคืนก็เข้านอนอย่างปลอดโปรงใจ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 อดเป็นห่วงพวกนั้นไม่ได้ัว น, น่าคณะว่าหันไปมองหน้าพรานใหญ่ไม่รู้พวกเขาจะเดินทางกลับถึงบ้านกันได้ตลอดรอดฝั่งปลอดภัยกันทุกคนหรือเปล่าถึงว่าสิคิดถึงอันตรายสารพัดชนิดที่เราผ่านกันมาแล้วทำให้เสียวเสียอย่างไรพริกลชายยานเสร์มาโดยเร็ ว, รวอย่างปลอยกังวลแต่แล้วทุกคนก็เห็นระพินยิ้มเล็กน้อยพลางสายศีษาช้า ช, าชา้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับในเรื่องนี้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 ในเมื่อหัวหน้าใหญ่ของมันกลายเป็นคนของเราไปแล้วเช่นนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเรื่องปืน ด, ดารินเอ่ยขึ้นเบาๆเป็นประโยคแรกอย่างเก่งพวกเราก็เอาติดตัวกันไปได้คนละกระ บ, บอกเท่านั้นเหลืออีกสิบกว่า บ, บอกที่จะต้องให้อยู่ในความดูแลของพวกนี้ต้องคิดให้รอบครอบนะคะพี่ใหญ่มันเป็นอาวุธอาจเกิดอันตรายอะไรที่เราคาดคิดไปไม่ถึงก็ได้ทุกคนดูเหมือนจะเพิ่งคิดึ้นมาได้ตามคาติงของหญิงสาว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 หมอดารินฉลาดรอบข้อพอ เ, เตือนให้เราในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ยักฉลาดในเรื่องวิธีแก้ไขส่วนผมกับเชื่อวถาก็มัวแต่ง ง, งด้วยปัญหาย่าปากข้อเป็นอันทําอย่างที่คุณว่านั่นแหละหมดเรื่องไปเอาละอะไรแต่อะไรก็รุ้ร่วงเรียบร้อยตามแผนไปได้หมดแล้วเพียงแต่จะรอใหถึงกําหนดเวลาออกเดินทางเท่านั้นผมคิดว่าระยะเวลาระหว่างนี้คุณเตรียมกําหนดได้แล้วว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างแล้วค่อยมาร่วมพิจารณากันอีกที เตรียมไว้เสียก่อนเนิ่นๆแหละดีเมื่อถึงเวลาเดินทางจะได้ไม่คลุกคลากและลืมหัวหน้าคณะออกคำสั่งกับพรานทางคืนนี้ผมจะส่งรายการบัญชีสิ่งของที่เราจะเตรียมไปมาให้คุณชายพิจารณาครับหลังอาหารค่ํานั้นขณะที่นายจ้างกําลังปรึกษาหารืออยู่กับพลานใหญ่เกี่ยวกับสิ่งของจําเป็นที่จะต้องติดตัวไปขยินก็ขอขึ้นมาเยี่ยมดูอาการเจ้ามุลูกชายซึ่งดีขึ้นเป็นลําดับจนสามารถลุกขึ้นนั่งได้ ยังความปรับปืบป้มยินดีให้แก่เจ้านกเกรงชาวดอยผู้เป็นบิดายัางเหลือที่จะกล่าวและผิ่นจึงเรียกให้ขยินมานั่งตรงพื้นเบื้องหน้าเชษฐาหัวหน้าคณะก็ถามว่าขยินเราได้ข่าวว่าเจ้าจะไปกับเราด้วยไม่ใช่หรือใช่แล้วนายใหญ่ขยินตอบอย่างหนักแน่นห้าวหาญตาขุนกระด้างอยู่เป็นนิดจับนิ่งไปยังเชาืาแฝงไว้ด้วยกายอ่อนโยนเคารพรักเจ้าแน่ใจหรือขยิน ชายยันซักมาอีกคนหนึ่งจ้องหน้าเขมงมาเหมือนจะคาดกัรอกความจริงก็เห็นนายบ้านหล่มช้างสยายยิ้มอวดฟันซี่เท่าจอบขยินแน่ใจขยินพูดจริงไปกับนายจริงเจ้าคัดค้านพวกเราวิก่อนแล้วเจ้าเชื่อว่าหนทางข้างหน้าเป็นความตายอย่างนี้แล้วเจ้ายังจะคิดไปด้วยอีกหรือเป็นหรือตายขยินไม่กลัวเจ้านายไปเทือกเขาพระศิวะขยินจะขอติดตามไปรับใช้ด้วย เจ้านักเรียงชาวดอยตอบซื่อๆตรงไปตรงมาปราจากรับลมด้วยเสียงดังฟังชัดตามนิสัยของมันเช่นนั้นเราก็ขอต้อนรับเจ้าไว้ด้วยความยินดีและขอชมเชยในน้ำใจพักดีกล้าหาญของเจ้าอาระเป็นอันว่าเราไปร่วมเป็นร่วมตายกันในหนทางข้างหน้าดาลินยิ้มพรายกล่าวมาด้วยเสียงกังวลแจ่มใสเชษฐาเดินตรงเข้าไปที่ราวปืนอันตั้งประดับไว้เป็นตับ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 แล้วเงยหน้ามองดูเชษถาสลับกันเหมือนจะไม่แน่ใจเช่นนั้นพอศบตาพรานใหญ่รพินเห็นพยักหน้าก็รีบเอื้อมมือไปรับอย่างกวีกวาดแทบจะระงับความดีใจไว้ไม่ได้มือสั่นท่ารูปคำปืนกระบอกนั้นอยู่ไปมาเสียงสัน่นนายใหญ่กรุณาต่อขยินมากขยินจะจำไว้จนชั่วชีวิตแต่ขยินไม่รู้จักที่จะใช้มันราชสกุลหนุ่มหัวเราะเบาๆก้มลงตกไหลในบ้าน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 และเจ้านักเลงใหญ่ชาวดอยก็แบกปืนเล้วกลับไปคีหาของมันซึ่งไม่ต้องสงสัยว่ามันจะไม่นอนกอดเลมิงตันโมเดลแปดเ็ดปั๊มแอคชั่นกระบอกนั้นแทนเมียตลอดทั้งคืนและเล่งเวลาให้รุ่งเช้าเสียโดยเร็วเพื่อจะได้ทดลองโดยมีแง่ า, ายเป็นผู้แนะนตามคำสั่งของนายใหญ่รัะพินภัยวานนึกชมเชยเชื่ถาอยู่ในใจเหมาะแล้วที่บุคคลผู้นี้จะเป็นหัวหน้าคน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 ชาวหล่มช้างทุกชีวิตมีความรู้สึกต่อคณะเดินทางที่มาพำนักอยู่ด้วยเหมือนนายเหนือหัวเต็มไปด้วยความรักพักดีอย่างบริสุทธิ์ใจซึ่งหัวแรงสำคัญมาจากแพทย์สาวนักมนุษยวิทยาสาวนั่นเองที่ทำตัวเป็นหนึ่งทูตสันทวะไมตีอย่างดีเลิศหล่อนไม่ได้เสียแซงหรือหวังเพื่อนนโยบายใๆทั้งสิ้นหากแต่เกิดจากอุปนิสัยในด้านดีส่วนตัวดารินเป็นแม่ของชาวหล่มช้างทุกคน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 ขณะเดียวกันตนเองก็หัดพูดภาษาชาวเขาช่วระยะเวลาเพียงสองอาทิตย์หล่อนก็พอจะส่งภาษากับพวกนั้นได้บ้างงูงูปลาทำความพิศวงให้กับพรานใหญ่รัะผิดไม่ใช่น้อยขารอบสังเกตหล่อนขณะที่คลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับชาวบ้านด้วยสายตาทึ่งๆแล้วก็นิยมลึกอยู่ในใจเงียบๆลาชสะกุลสาวสวยผู้นี้เหมาะแล้วที่จะเป็นแพทย์รวมทั้งนักปชนภัยเลือดข้น ที่บังอาจบุกบานฟันฝ่ามาท่ามกลางดินแดนแห่งอารยาธรรมอันเต็มไปด้วยความธุระกันดาลหล่อนไม่ใช่คนหยิบโยงกลี่กลายหรือว่าผิวบางแบบถ น, นิ่มซ่อยอันเป็นลักษณะทั่วๆไปของสาวสวยผู้สูงสักทั้งหลายเช่นที่เขาคาดไว้แต่แรกจนนิดเดียวมันคานกับรูปโฉมลักษณะและชาติสกุลชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเดี๋ยวนี้หล่อนไปไหนมาไหนได้ทุกแห่งภายในอนณาเขตหมู่บ้าน ราวกับจะเป็นอาณาจักรของหลอนเองขึ้นเรือนได้ทุกหลังและไม่ว่าจะเดินไปไหนจะมีเด็กๆและพวกสาวรุ่นๆชาวรมช้างเดินแห่ติดตามไปด้วยเป็นขบวนพวกเด็กๆ เ, เหล่านั้นมาคอยรับใช้ปรนนิบัติหลอนเป็นประจำอยู่ในเรือนพักด้วยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนราวกับหมู่นางกำนันและพวกมหาดเด็กที่คอยแวดล้อมนางพญาพระคุณและเมตตาธรรมของหลอนคลองใจชาวดอยเหล่านั้นไว้หมดสิ้น ขยินบัตรนี้ก็เปลี่ยนสันดานและท่าทีอันเคยโอหังลำพองของมันไปราวกับคนละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคณะนายจ้างทั้งสามคนเจ้านักเลงชาวดอยรักปืนกระบอกใหม่ที่ได้เป็นของกำนันยิ่งกว่าเจ้ามุลูกชายเสียอีกและกำลังเห่อขี่สุดเดี๋ยวนี้มันพอจะทำความรู้จักคุ้นเคยกับเลมิงตันแบบปั๊มแอคชั่นกระบอกนั้นแล้วแต่ละวันแหกตาตื่นมาแต่หัวรุกไม่ต้องทาอะไร ชวนบุญคำหรือไม่ก็จานแบกปืนเข้าป่าพอสายก็แบกเก้งกวางหรืออย่างน้อยก็นกไก่ป่าเข้ามาแปรเกณเป็นบรรณาการแก่คณะเจ้าหนายทุกวันขยินยิงมันได้ด้วยปืนกระบอกนี้มันดีกว่าปืนเพลิงของขยินหลายเท่าอย่างนายใหญ่ว่าเจ้าคนดอยมักจะโอด้วยความภาคภูมิใจเช่นนี้อยู่เป็นประจำครั้นแล้วเรื่องที่ทุกคนต้องหัวรอ ก, กันอย่างท้องคัดท้องแข็งก็ได้มาถึงอาวันหนึ่ง เจ้าขายินแบกลูกซองคู่ชีพไปด้อมไก่ปะหน้าเข้ากับช้างไพรธมน์เข้าให้อย่างจังที่ท้ายหุบนายบ้านหล่มช้างเชื่ออำนาจของปืนในมืออย่างเต็มที่เพราะไม่เคยเข้าใจว่าลูกชนิดไหนใช้กับสัตว์ขนาดไหนลูกที่บรรจุอยู่ทั้งห้านัดเป็นลูกปลายเบอร์หนึ่งที่มันใช้ยิงนกหรือยิงไก่อยู่เป็นประจำพอเห็นช้างแป้เข้ามาขายีนก็ยืด อ, อกเต็มภาคภูมิ สั์ลูกปลายตึงเข้าให้เต็มหน้าแงโดยคิดว่าพยาเขาจะสารจะล้มคว่มม้วนมุดไปคาตาผลปรากฏว่าเจ้าพลายโทนแผ่เสียงกล้องด้วยความโกรธแค้นพุ่งสวนควับเข้ามาหมายจะบ่นกระดูกเสียเขายินหันหลังได้ก็วิ่งตาปลิ้นมันกวดตามมาติดๆเอางวงคว้าเฉียดหลังไปเท่าเส้นยาแดงโชคดีถึเกินที่บุญคาตามมาทันและเห็นเหตุการณ์เข้ามาพอดี สกัดเจ้าพลายหลายตัวนั้นไว้ได้ด้ดจุด375เจหม้วนคว่าลงขยินจึงรอดจากคตชบาทาไปได้อย่างหวุดวิดสบดด่าขมถมเถสาบแช่งตัวเองเพราะเข้าใจว่ายิงผิดเจ้ายิงไม่ผิดหรอกขยินเชษฐาบอกพลางหัวเราะเมื่อได้ฟังเรื่องที่เล่าอย่างโวยวายของขยินจบลงแต่ที่ช้างไม่ตายก็เพราะเจ้าเอาลูกปืนที่ใช้ยิงสัตว์เล็กไปยิงสัตว์ใหญ่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 พางเขาก็หยิบลูกโดส่งให้ขยินทั้งกล่องกล่าวยิ้มยิ้มว่าอา้าวเอาไปลองใหม่เดินเข้าไปใกล้ๆมันสักสีห้าวาแล้วกดตึงเข้าให้ไปที่หัวพอยิงเสร็จไม่ต้องฟังเสียงโกยแนบให้เร็วที่สุดเหมือนเช่นที่เจ้าโกยมาวันนี้แหละทําไมล่ะนายขยินถามหน้าตาตื่นประเดี๋ยวมันล้มทับเจ้าเข้าน่ะสิชยันบอกหน้าตาเฉยแต่แล้วก็สะดุ้งโยงเพราดารินหยิกหมับมากลางหลัง แล้วพูดกับนายบ้านหล่มช้างคนซื่อน้ำเสียงเคร่งขรึมเป็นงานเป็นการว่าไม่ต้องไปลองขยินยิงช้างไม่ดีบาปมากยกเว้นจวนตัวเมื่อมันจะทําร้ายเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเจ้าจึงอยากคิดเอาปืนกระบอกนี้ยิงช้างอีกพลางหล่อนหันมาทําตาเขียวเอากับชายยานดุเบาๆ บ, บ้าเห็นเป็นของสนุกไปได้จะยุบ ม, มันให้ไปถูกช้างเหยียบตายเงี้ยหรอเพื่อนชายทําหน้าจืดจืด อยากจะให้มันภูมิใจมั่นใจในปืนของมันต่างหากลูกโดดยิงเข้าหัวช้างก็อยู่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นปืนลูกซองทำไมเธอไม่ลองดูเสียเองอ่ะก็ฉันวิ่งหนีช้างไม่ได้เร็วเหมือนขยินนี่ชยยายันตอบอ่อยๆเวลาว่างที่ผ่านไปสำหรับเชษฐาใช้ในการสำรวจพิจารณาดูแผนที่ฉบับเดิมของมังมหานรทาซึ่งเนวินนักเสียงโชคชาวพมา่ามอบไปให้แกรพินก่อนที่จะตาย และสนทนาหารืออยู่กับพรานใหญ่ถึงแผนเดินทางตลอดเวลาอย่างรอบคอบระมัดระวังส่วนชายยันไม่สนใจอะไรด้วยนักในเรื่องนี้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนผู้อยู่ในฐานะหัวหน้าคณะและพรานนำทางตนเองฆ่าเวลาให้หมดไปกับการตะเวนเที่ยวป่าในละแวกใกล้เคียงโดยมักจะไปคู่กับแง่ า, ายอยู่เสมอพอเริ่มศึกษาชนานาญขึ้นในเรื่องของการตามรอยสัตว์และรหัสป่าต่าง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 ด้วยการล้มแรกใหญ่หนังเหนียวตัวหนึ่งได้ในทุ่งโล่งหลังเขาเป็นแรดตัวเดียวกันกับที่ขยินและพวกล่มช้างทั้งหลายเพียรพยายามจะเอาตัวให้ได้มาหลายปีแล้วแต่อำนาจปืนร้าสมัยของพวกนั้นไม่สามารถจะคว่า ม, มันลงได้ชายยันยืนยิงประจันหน้าขณะที่มันห่อตะบึงชาร์ตเขาใส่ด้วยจุด600 000, คู่มือของเขากระสุนตัดเข้ากลางสมองอย่างพอเหมาะพอเจาะมันแล่นทลากเข้ามาเอาจมูกทิ่มดิน แล้วพลิกตีรังกากดับดิ้นอยู่ตรงหน้าเขาห่างเพียงไม่กี่ว่าท่ามกลางสายตาอันตื่นตะลึงของพวกพลานชาวบ้านทั้งหลายที่ติดตามไปด้วยซึ่งขณะนั้นพากันวิ่งกระเจิดกระเจิงอย่างไม่คิดชีวิตและพินและเชษฐาตามออกไปดูซากแร่ที่ถูกยิงล้มนั้นก่อนหน้าที่พวกลูกบ้านจะเกณฑ์กันมาแยกออกเป็นชิ้นส่วนเป็นยังไงพอเอาถานบ้างหรื อ, อยังลูกศิษย์ของคุณคนนี้อดีตนายทหารหนุ่มหันมาถามพลานใหญ่ หรืออีกในหนึ่งครูฝึกของเขายิ้มยิ้มจอมพานเป่าลมออกจากปากเบาๆเอาฐานเลยเถิดไปเสร็จแล้วล่ะครับเรียนชั้นประถมอยู่ไม่กี่วันนี่เองกระโดดข้ามชั้นเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จแล้วหน้าหวาดเสียเหลือเกินอย่างนี้เขาเรียกว่าคนบ้าระหำเชษฐาจุ ป, ปากมองดูสหายรักอย่างตำหนิไม่ควรยิงสวนหน้ากับชั้นชิดแบบนี้เลยถ้านัดนั้นพลาดแม้แต่นิดเดียวแกก็แหลกไปแล้ว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 ยิงขู่ขึ้นฟ้าก็พอขี้คลานมันจะหนีป่าลาไปทำไมต้องฆ่ามันด้วยมันคงไม่ร้ายกาจอย่างโขงไอแว่งหรอกถ้ายิงก็ต้องหมายถึงหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือไม่งั้นก็ต้องการอาหารวิสัยพรานที่ดีทั่วไปเขาก็ปฏิบัติกันอย่างนี้แหละไม่ใช่ยิงด่าอย่างเธอต้องการโทฟี่ไว้อวดใครกันมังถึงยิงไม่เลือกอ๋อเดี๋ยวนี้เห็นพานใหญ่เป็นคนดีแล้วเหรอส่วนที่ดีก็ว่าดีเดี๋ยวก่อน เมื่อตอนที่ยังนี่กินกวางผัดเผ็ดฝีมือฉันหรือเปล่าเพื่อนชายเปลี่ยนเรื่องถามมาหนะ้าตาเฉยนักมนุษย์วิทยาสาวพาซื่อต่อว่าก็เห็นอยู่ว่ากินอยู่ด้วยกันถามทําไมเป็นยังไงฝีมือฉันเด็ดไหมก็ไม่เลวชายยันหันไปปิดปากหัวร้องอคิกคักขยิบตากับบุญคามที่นั่งอยู่ใกล้ดาลินสังเกตเห็นก็ขมวดคิ้วถามเสียงต่าๆมาว่าอะไรกัน หัวเราอะไรการ ค, คิกคักช้างครับนายหญิงช้างผัดเผ็ดไม่ใช่กวางหรอกบุญคาเป็นคนแรนายทหารเป็นคนทำครัวบุญคาบอกอ่อยๆมาด้วยสำเนียงเนอๆของแกดาดินตะลึงเบิกตาโตจ้องหน้าทึงสองร้องลั่นออกมาช้างผัดเผ็ดใครบอกกวางกระหกักอย่าไปเชื่อบุญคำชา ย, ยันรีบพูดโดยเร็ววางหน้าเฉยแล้วหันไปแยกเคี่ยวกับบุญคา แมมอิตานี่ปากสว่างจริงแฮะบุญคำเป็นพรานบุญคำโกหกไม่ได้แต่ผ่านเท่าแห่งเขาอึมครึมกระซิบตอบดาลินตะแคงหูเงี่ยอยู่แล้วพอจะจับกระแสความได้ไม่พูดอะไรอีกจนคำเดียวค่อยๆเดินเรียงเข้าไปที่จุด600ในโตเอ็กซ์เพรสของชายันเองหักกลำกล้องออกแล้วเดินงุนง่านหากล่องกระสุนน่าจะทาอะไรอ่ะน้อยชยันร้องถามมาชักใจไม่ดีเดี๋ยวก็รู้ หล่อนคำลามรอดไรฟันออกมาแล้วก็เหลือไปเห็นกระสุนเข้าพอดีปลีดดิงเข้าไปบุญคําก็หันมาสกิดชายยันกระซิบบอกเร็วปืเพนเฮานายถ้าจะไม่เข้าการแล้วบุญคําเพนก่อนละว่าแล้วต่พรานเท่าก็กระโจนผุงลงจากเรือนห่อแนบไปชายยันก็เพนโครมเล่นตามหลังไปด้วยดาลินบรรจุกระสุนเข้าลําก้องเสร็จหักลํากลับเข้าที่ก็เป็นเวลาเดียวกับที่รพีนภัยวันเดินเสือนขึ้นมาบนเรือน เขาชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นน้องสาวคนสวยของนายจ้างลากบืนยิงช้างหน้างอเป็นม้าหมักลุกปีออกมาอย่างเอาเป็นเอาตายจึงดักหน้าไว้โดยเร็วอะไรครับคุณหญิงเกิดอะไรขึ้นหล่อนสะบัดแขนพูดเกาๆหลีกไปอย่ามาขวางหน้าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวโดนอีกคนผานใหญ่หน้าตื่นนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่บอกผมมีเรื่องร้ายแรงอะไรหรือครับหญิงสาวหูวเราะ ด, ดุดุในลาคอ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 พรานใหญ่กับพริบตาทีเร็วจะไม่อธิบายหน่อยหรือครับว่าอะไรเป็นอะไรฮ้ผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าฮึแปลว่าอะไรเราอีกคนหนึ่งอยากจะรู้นักเป็นตัวการด้วยหรือเปล่าหล่อนตวาดมาเอามือผลัก อ, อกเขาตัวการในเรื่องอะไรกันเอาเนื้อช้างมาหล่อให้ฉันกินเมื่อกลางวันนี้นะสิเสียงของหล่อนเอตโรลั่นเรือนแล้วพีนกับพิบตาจ้องหน้าหล่อนอยู่ครู่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 ชายันกระตะข้าบุญคำนั่นแหละเจ็บใจนะักยังมีหน้ามาย่อเย้ เ, เสียอีกเมื่อกลางวันนี้ถูกร่อให้กินเนื้อช้างไม่เป็นไรแต่เย็นนี้ต้องกินเนื้อชายันกระบุญคำให้ได้อาจเป็นคุณด้วยอีกคนหนึ่งถ้าคุณร่วมด้วยระปินใช้แขนปาดปากกระบอกจุด 1.6.0 ที่สองเลื่อล่าอยู่แถวแถวปลายคางของเขาออกไปช้าๆแล้วดึงจากมือหล่อนไปถือไว้อย่างนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนถอดลูกออก หญิงสาวกระทืบเท้าโดยแรงเดินไปนั่งหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ที่เก้าอี้ริมนอกชานเขาเดินไปหยุดอยู่ใกล้ๆก้านหัวเราจะจนหน้าแดงน้ำใจคุณหญิงจะกินเนื้อคุณชัยยานบุญคำแล้วก็ผมเข้าไปลงคอเหลือครับคงเหม็นสาบ พ, พิลึกแต่ก็จะพยายามหล่อนว่าเอามือกอดอกเท้าคางกัดเล็บมองไปทางอื่นแล้วพินซุดตัวลงนั่งบนนอกชานใกล้ๆกับเก้าอี้ไม้ไผ่ของรอนควักบุหรี่ออกมาส่งให้หล่อน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 แล้วเมื่อกลางวันนี้ทั้งคุณชายันกับบุญคําทั้งสองคนไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยเลยมีผมเกิดเสยแล้วก็แง่ายช่วยกันทําอยู่สี่คนเท่านั้นคุณชายันไปหากล้วยไม้กับบุญคําและขยินทางหน้าผาน้ําตกโน่นกลับมาถึงก็เวลาอาหารพอดีโกหกหรือเปล่าหล่อนกระชากเสียงครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งจ้องเขามาอย่างคาดคั้นและผิดเป่าควันบุหรีเป็นทางยาวโทษจริงสิครับผมจะมาโกหกคุณหญิงทําไม แล้วทำไมสองคนนั่งถึงมากลัอนกับฉันทำเอาผะอืดผะอมอยู่นี่คงแกล้งยั้าคุณหญิงสนุกสนุกนั่นเองคุณชายยันแกขี้เล่นออกคุณหญิงก็รู้ดีอยู่แล้วดาลีนหัวเราะ อ, ออกมาได้แต่ยังไม่ไวายตาคว้าตาหงายและโดยเหตุผลกลใดไม่แจ้งเหมือนกันพานมาค้อนเขาเข้าให้ด้วยนี่นายพานบอกกล่าวเสียให้รู้นะลูกศิษย์ของคุณนะ่ะดีนักนี่ลูกศิษย์ผมใครกัน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 เดี๋ยวจะหาไม่เดียวตีก้นลูกศิษย์สักครึ่งโหลตัวครูเองก็จะโดนด้วยสักโหลหนึ่งก็ดีเหมือนกันพรานใหญ่พยักหน้างึกๆว่าแต่ใครจะเป็นคนตีผมละ่ะหล่อนปั้นหน้าเคร่งขึมแต่แล้วก็หัวเราะขณะนั้นจันทก็เดินหน้าตื่นเลิกลักขึ้นมาบนเรือนตรงเข้ามาที่หล่อนโดยเร็วมีพวกชาวบ้านหญิงชายสองสาคนตามมาด้วยคนพวกนั้นท่าทางกระสับกระส่ายยืนเกาะอกกันอยู่ที่หัวบันไดเรือน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 ก็ชั้นสั่งไว้แล้วนี่ว่าถ้าเมียมันเจ็บท้องให้ผัวมันรีบมาบอกทันทีนี่เจ็บมาตั้งแต่เที่ยงแล้วทําไมมาบอกเอาเดี๋ยวนี้จันย์อึกอากตอบไม่ถูกหันไปทางบันไดเหลือนที่เจ้าขนงผู้ยืนหน้าซีดอยู่ส่งภาษาสักถามกันลงเล็งแล้วก็หันมายิ้มแห้งๆมันนึกว่าหมอตำแยกับหมอผีที่นี่จะช่วยเมียมันให้ออกลูกได้ครับต่ํกันหลายชั่วโมงแล้ลูกมันก็ยังไม่ยอมออก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 มนุษย์เป็นสัตว์ที่ออกลูกยากที่สุดผิดกับเดรัชานอื่นๆมากหางตาขมจับอยู่ที่ใบหน้าเขาดีไม่ร่ะที่ได้มาเห็นเสียกับตาเองอย่างนี้เป็นการถูกแล้วที่คุณรักและมีกระตันยูสูงต่อคุณแม่คุณเองคนที่อยู่ในฐานะแม่ทุกคนก่อนที่จะให้กำเนิดลูกออกมาได้ก็ต้องผ่านศึกใหญ่ที่สุดในชีวิตแบบที่เห็นอยู่นั่นแหละเป็นหรือตายเท่ากันในขณะนั้น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 เราไม่มีอุปกรณ์ในการผ่าตัดใหญ่เลยสักอย่างขืนผ่าเข้าไปก็เท่ากับทิ้งแม่เอาแต่ลูกว่าอย่างเดียวต้องปลุกปั้มกันไปตามมีตามเกิดอย่างที่เห็นนั่นแหละนี่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลฉันก็ทําซีซ่าเรียนไปแล้วไม่ต้องมาชุลมุนเหงื่อตกกันอยู่ให้เสียเวลาซีซเรียนซีซเรียนเชคชั่นหรือซีซาโรโตอมีหมายถึงการเอาเด็กออกทางหน้าท้องโดยวิธีผ่าเป็นคําเทคนิคในทางออฟสเตติกออ คราวนี้เห็นหรื อ, อยังล้วว่าหมอตำแย ก, กับสูติแพทย์มันผิดกันก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นพรานไพรมาถามผมบ้างสิว่าช้างกับลิงแตกต่างกันยังไงผมเป็นอธิบายน้าลายแตกฟองได้เหมือนกันหน่อยนี่มาว่าฉันน้ำลายแตกฟองนันเลรเปล่าวปล่าโทโมโหซะเลื่อยขอถามอาจารย์เพื่อประดับความรู้ต่อไปสักหน่อยเถอะทาไมถึงเรียกซีเซเียนจะเรียก มาร์กแอนโทนีนหรือครีโอพัตเตียนไม่ได้เลยหล่อนโอทัวร์ออกมาไม่ได้ชํำเรืองคอนนิดหนึ่งทำมา r k กแอนโทนีหรือคริโอพตาเกิดโดยวิธีผ่าตัดออกทั้งหน้าท้องเป็นคนแรกของโลกเขาก็อาจตั้งชื่อชนิดนี้ให้ก็ได้แต่นี่บังเอิญซีซ่าเป็นคนออกมาดูโรคแบบนี้ก่อนเขาก็เลยเอาชื่อของซีซ่ามาเป็นต้นตำรับซีซ่านะหรือเกิดโดยวิธีผ่าออกทั้งหน้าท้อง ในว่าอย่างนั้นแต่ฉันไม่ได้เห็นเพราะเกิดไม่ทนันหรือเกิดทันและอยู่ในห้องทำคลอดนั้นด้วยก็ยังระลึกชาติไม่ได้วิทยาการในทางแพทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญกรรมของมนุษย์เราในยุคนั้นจเจริญถึงขนาดนั้นเถยวหรือครับจ ะ, จะเจริญแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้แน่ๆก็คือมนุษยาชาติยุคนั้นรู้จักการผ่าตัดกันขึ้นแล้วไม่งั้นจะผ่าท้องเอาซีซ่าออกมาจากท้องแม่ได้ยังไง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 แต่ถ้าคุณแสงโสมเกิดฉุกเฉินกระทันหันจะต้องคลอดลูกกันกลางป่าแล้วก็หมอดาลินก็พอจะช่วยได้ไปตามแกนอีกฝ่ายหนึ่งหน้าแย่ไปถนัดกินน้ำลายฟืดๆลงคอแล้วบ่นออกมาอ่อยๆว่าโทษคุณหญิงครับเอาชื่อผู้หญิงคนนั้นมาพูดกับผมทำไมก็ไม่รู้กราบไหว้วิงบอนไว้หลายครั้งแล้วผมไม่อยาได้ยินเลยดาลินเ ม, ม้มริมฝีปากยิม้มไม่เอ่ยอะไรอีคิดอยู่ในใจว่านี่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 เสื้อผ้าขาดทำไมถึงจะเย็บไม่ได้หรือถ้ามันจะขาดก็ให้มันขาดไปผิดนักเดินตัวเปล่าก็ยังไหวดีเสียอีกจะได้ไม่หนักเสื้อผ้าเจอเอาคำตอบเข้าแบบนี้พานใหญ่ก็เลยไม่กล้าพูดอะไรกับหลอนอีกสุดท้ายก็มาถึงเรื่องอาวุธอันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเหนือกว่าทุกสิ่งซึ่งทั้งสามคือรพินชยัยยานและเชาิาต้องพิจารากันอยู่เป็นเวลานาน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 สำหรับเหตุการณ์ที่ยังไม่ทราบว่าจะเผชิญกับอะไรบ้างกระ บ, บอกนี้ชั ย, ยันใช้จนชำนาญแล้วก็ให้เป็นอาวุธคู่มือของนายทหารปืนใหญ่ไปนับเป็นรายเฟื่ขนาดหนักสามกระ บ, บอกซึ่งอยู่ในมือของบุคคลชั้นหัวหน้าสามคนส่วนดารินนั้นเพื่อความสะดวกคล่องแคล่วรวดเร็วในการใช้ได้เหมาะสมกับกำลังของหล่อนที่สุดโดยกาหนดให้เป็นมือสาหรับสอยในระยะไกลและหวังผลแน่นอน จะ um, ุดสามศเอเอร์บีแมนัมติดศูนย์กลางขยาย4ี่เท่าเป็นปืนประจำมือแง่ท า, ายกับปุนคำให้ถือจุด37มหฮอลแลนด์แอนด์ฮอลแลนด์คนละกระบอกกระบอกแรกเป็นวินเชสเตอร์ของรับพินกระบอกหลังเป็น FN ของคณะนายจ้างสำหรับสถานการณ์ทั่วๆไปไม่ว่าจะหนักหรือเบาอีกสี่คนที่เหลือคือเกิดเสยจัน์และขยินถูกกำหนดให้เป็นมือปืนประเภทอาหาร จันและขยินคู่หนึ่งใช้ลูกซองเบอร์12กระบอก1เป็นกึ่งอัตโนมัติ FN ฟ็กระบอกหนึ่งเป็นปั๊มแอคชั่นเลนตันซึ่งเชีฐ า, ามอบให้เป็นของกํานันขยินก่อนหน้าแล้วส่วนเกิดกับเซอร์อีกคู่หนึ่งใช้ไรเฟิลขนาด3ามศเป็นปืน C ีเซของระเพีนเสียกระบอกหนึ่งและมันริกเกอร์ของเชีฐ า, าอีกกระบอก1ปืนสั้นประจําตัวของคณะนายจ้างแถมพิเศษด้วยขนาดจุดสอีกระบอก1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 โดยย่อส่วนรงเก็บไว้ในเป้รังได้อย่างสบายและไม่เพิ่มน้ําหนักอะไรให้มากนะซึ่งรพินก็เห็นว่านั่นเป็นความฉลาดและมีไหวพริบได้ยอดเยี่ยมของนักมนุษย์วิทาสาวในการเลือกปืนกระบอกนั้นติดตัวไปด้วยอย่างรอบคอบอีกกระบอกหนึ่งไม่เสียแรงที่หล่อนเองก็เป็นนักเลงปืนตัวยงจากนั้นก็เป็นพวกระเบิดไนโตรหรือที่เรียกว่าไดนาไมายซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วสอนให้ทั้งคณะรู้ว่า